37ผู้หลับน้อยตื่นมากในราตรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล5ประเภทเหล่านี้ย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรีคือ 1. สตรีผู้มีความประสงค์บุรุษ 2. บุรุษผู้มีความประสงค์สตรี 3. โจรผู้มีความประสงค์จะลักทรัพย์ส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 38ผู้ตกนรกดูก่อนอีกสูทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำห้าอย่างย่อมตกนรกเหมือนถูกนําตัวไปวางไว้ทำห้าอย่างคือ 1. เป็นผู้มกักฆสัตว์ 2. เป็นผู้มักลักทรัพย์ 3. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกามสี่เป็นผู้มักพูดปดห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 ซึ่งไม่เป็นที่รักดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละาักบุริสตานห้าอย่างข้อความจากปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกาย41ลักษณะหของวาจาสุภาษิตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ปัญจการนิบาตอังคุตรนิกาย